ธรรมบแปลเรื่องที่102สองเรื่องในาพรานกุตกุตมิตรภาคที่หเรื่องที่8ของวัคที่9้าป้าประวัตวัณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปราบรในพรานชื่อกุตกุตมิตรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปานุมิหิเจวโนณาสะ ตอนทิดาเศรษฐีรักพรานกุตกุธมิตรได้ยินว่าทิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคเครือเจริญวัยแล้วเพื่อประโยชน์แก่การรักษามารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหนึ่งให้อยู่ในห้องบนพระศาทจเจ็ชั้นในเวลาเย็นวันหนึ่งแหลไปในระหว่างถนนทางหน้าต่าง เห็นนายพรานคนหนึ่งชื่อกุตกุตมิตรผู้ถือบ่วงห้ารและหลาห้าร้ค่าเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพค่าเนื้อห้า้อตัวแล้วบรรทุกเกวียนใหญ่ให้เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์เหล่านั้นนั่งบนแอกเกวียนเข้าไปสู่พระนครเพื่อต้องการขายเนื้อเป็นผู้มีจิตปฏิพัตในนายพรานนั้นให้บรรณาการในมือหญิงคนใช้ส่งไปว่า เจ้าจงไปจงให้บรรณาการแก่บุรุษนั้นรู้เวลาไปของเขาแล้วจงมาหญิงคนใช้ไปแล้วให้บรรนาการแก่นายพรานนั้นแล้วถามว่าท่านจะไปเมื่อไหร่นายพรานตอบว่าวันนี้เราขายเนื้อแล้วจะออกไปโดยประตูชื่โนโ้นแต่เช้าเที่ยวหญิงคนใช้ฟังคำที่นายพรานนั้นบอกแล้ว กลับมาบอกแกนางตอนทิดาเศรษฐีหลบหนีไปกับในพรานทิดาเศรษฐีรวบรวมผ้าและอาภรณ์อันควรแก่ความเป็นของที่ตนควรถือเอานุ่งผ้าเก่าถือหม้อออกไปแต่เช้าตรู่เหมือนไปสู่ท่าน้ํากับพวกนางทาสีถึงที่นั้นแล้วได้ยืนคอยการมาของในพรานอยู่ แม้ในพรานก็ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่ฝ่ายนางก็เดินตามหลังในพรานนั้นไปเขาเห็นนางจึงพูดว่าเกาพเจ้าไม่รู้จักเจ้าว่าเป็นทิดาของผู้ชื่อโน้นแน่แม่เจ้าอย่าตามฉันไปเลยนางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาตามธรรมดาของตนท่านจงนิ่งขับเกวียนของตนไปเถิด เขาห้ามนางแล้วแล้วเล่าๆทีเดียวครั้นนางพูดกับเขาว่าอันการห้ามสิริอันมาสู่สำนักของตนย่อมไม่ควรในพรานทราบการมาของนางเพื่อตนโดยไม่สงสัยแล้วได้อุ้มนางขึ้นเกวียนไปมารดาบิดาของนางให้คนหาข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่พบสำคัญว่านางจากตายเสียแล้วจึงทำพัดเพื่อผู้ตาย แม่นางอาศัยการอยู่ร่วมกับนายพรานนั้นคลอดบุตรเจ็ดคนโดยลำดับผูกบุตรเหล่านั้นผู้เจริญวัยเติบโตแล้วด้วยเครื่องผูกคือเรือนตอนกุตกุตมิตรอาคาตในพระพุทธเจ้าภายหลังวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นนายพรานกุตกุตมิตรกับบุตรและสะาย เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์ทรงใคร่ขรุญว่านั่นเหตุอะไรหนอแลทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาคของชนเหล่านั้นแล้วทรงถือบาทและจีวอลไดเสด็จไปที่ดักบ่วงของนายพรานนั้นแต่เช้าตรู่วันนั้นแม้เนื้อสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ติดบ่วงพระศาสดาทรงแสดงรอยพระบาทที่ใกล้บ่วงของเขาแล้ว ประทับนั่งในใต้ร่มพุ่มไม้พุ่มหนึ่งข้างหน้านายพรานกุดกุตมิตรถือธนูไปสู่ที่ดักบ่วงแต่เช้าตรู่ตรวจดูบ่วงจำเดิมแต่ต้นไม่พบเนื้อแม้ตัวเดียวซึ่งติดบ่วงได้เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาแล้วทีนั้นเขาได้ํำริชนีว่าใครเที่ยวปล่อยเนื้อตัวติดบ่วงของเรา เขาฝูกอาฆาตในพระศัสดาเมื่อเดินไปก็พบพระศัสดาประทับนั่งที่โคนพุ่มไม้คิดว่าสมณะองค์นี้ปล่อยเนื้อของเราเราจะฆ่าสมณะนั้นเสียดังนี้แล้วได้โกงธนูพระศัสดาให้โกงธนูได้แต่ไม่ให้ยิงธนูไปได้เขาไม่อาจทั้งเพื่อปล่อยลูกศรไปทั้งลดลง มีสีข้างทั้งสองปานดังจะแตกมีน้ำลายไหลออกจากปากเป็นผู้ขอนเพลียได้ยืนซื่ออยู่แล้วครั้งนั้นพวกบุตรของเขาไป เ, เรือนพูดกันว่าบิดาของเราล่าช้าอยู่จะมีเหตุอะไรหนออันบานดาส่งไปว่าพอทั้งหลายพวกเจ้าจงไปสู่สำนักของบิดาตางก็ถือธนู เห็นบิดายือนอยู่เช่นนั้นคิดว่าผู้นี้จะเป็นปัจจามิตรของบิดาของพวกเราทั้งเจคนก่องธนูแล้วได้ยือนอยู่เหมือนกับบิดาของพวกเขาหยืดแล้วเพราะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตอนกุตกุตมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้าลำดับนั้นมารดาของพวกเขาคิดว่าทำไมหนอแล บิดาและบุตรจึงล่าช้าอยู่ไปกับลูกสะพายเจคนเห็นชนเหล่านั้นยืนอยู่อย่างนั้นคิดว่าชนเหล่านี้ยืนโก่งธนูต่อใครหนอแลแลไปก็เห็นพระศาสดาจึงประคองแขนทั้งสองร้องลั่นขึ้นว่าพวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศพวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศนายพรานกุฎกุตมิตร ได้ยินเสียงนั้นแล้วคิดว่าเราชิบหายแล้วหนาะในว่าผู้นั้นเป็นพ่อตาของเราตายจริงเราทำกำหนักแม่พวกบุตรของเขาก็คิดว่าในว่าผู้นั้นเป็นตาของเราตายจริงเราทำกำหนักนายพรานกุตกุตมิตรเข้าไปตั้งเมตตาจิตไว้ว่าคนนี้เป็นพ่อตาของเรา แม้พวกบุตรของเขาก็เข้าไปตั้งเมตตาจิตว่าคนนี้เป็นตาของพวกเราขณะนั้นทิดาเศรษฐีผู้มารดาของพวกเขาพูดว่าพวกเจ้าจงทิ้งธนูเสด็จเร็วแล้วให้บิดาของฉันอดโทษตอนเขาทั้งหมดสาเร็จโสดาปฏิผลพระศาสดาทรงทราบจิตของเขาเหล่านั้นอ่อนแล้วจึงให้ลดธนูลงได้ ชนเหล่านั้นทั้งหมดถวายบังคมพระศาสดาแล้วให้พระองค์อดโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงอดโทษแก่ข้าพระองค์ดังนี้แล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระศาสดาตรัสอนุปปปีกถาแก่พวกเขาในเวลาจบเทศนานายพรานกุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะพาย มีตนเป็นที่15ตั้งอยู่ในโสดาปฏิฝนแล้วพระสัสดาเสด็จเที่ยวไปบินทบาทได้เสด็จไปสู่วิหารภายหลังพัดลำดับนั้นพระานนทิรักทูลถามพระองคว่าวันนี้พระองค์เสด็จไปไหนพระเจ้าค่าพระสัสดาไปสำนักของกุตกุตมิตรานนท์พระานนท์ข้าแต่พระองคู้เจริญ นายพรานกุตกุตมิตรพระองค์ทำให้เป็นผู้ไม่ทำกรรมคือป้านาติบาตแล้วหรือพระเจ้าข้าพระสัสดาเอออานอนนนายพรานกุตกุตมิตรนั้นมีตนเป็นที่สิบห้ตั้งอยู่ในศรัทธาอันไม่คลอนแคลนเป็นผู้หมดสงสัยในรัตนสามเป็นผู้ไม่ทำกรรมคือป้านาติบาตแล้วพวกภิกษุกราบทูลว่า แม้ภริยาของเขามีไม่ใช่หรือพระเจ้าค่าพระสัสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนางเป็นกุมาริกาในเรือนของผู้มีตระกูลเทียวบรรลุโสดาปิตพลแล้วตอนพระโสดาบันไม่ทำบาปภิกษุสนทนากันว่าได้ยินว่าภริยาของนายกุตกุตมิตรบรรลุโสดาปิตพล ในการที่ยังเป็นเด็กหญิงนั่นแลแล้วไปสู่เรือนของนายพรานนั้นได้บุตรเจคนนางอันสามีสั่งตลอดการเท่านี้ว่าหล่อนจงนำธนูมานำลูกศรมานำหอกมานำเหลามานำขายมาได้ให้สิ่งเหล่านั้นแล้วนายพรานนั้นถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทำปานอธิบัติ แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทำปานาติบาตอยู่หรือหนอพระศัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันย่อมไม่ทำปานาติบาต แต่นางได้ทาอย่างนั้นโดยคิดว่าเราจะทาตามคาสามีจิตของนางไม่มีเลยว่าสามีนั้นจงถือเอาเครื่องประหารนี้ไปทำปนานธิบาตจริงอยู่เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มียาพิษนั้นก็ไม่อาจจะให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใดชื่อว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปแม้นำเครื่องประหารทั้งหลาย มีทุนูเป็นต้นออกให้เพราะไม่มีอกุศนเจตนาฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าปานิมหิเจวโนนัสสะฮรยปานินาวิสังนาปะนังวิสมันเวตินัติ ป, ปาปังอกุบบโตติถ้าแผล ไม่พึงมีในฝ่ามือซ้ยบุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่ฉะ น, นั้นแก้อับรรดาบทเหล่านั้นบทว่านาสรแปลว่าไม่พึงมีบทว่าหรยะแปลว่า พ, งาาาพึงอาจนำไปได้ถามว่า เพราะเหตุอะไรแก้ว่าพระยาพิษไม่ซึมไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลจริงอยู่ยาพิษย่อมไม่ซึมทราบเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดชื่อว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทําบาปแม้นําเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้นออกให้เพราะไม่มีอกุศลเจตนาฉะนั้นเหมือนกันแท้จริง บาปย่อมไม่ติดตามจิตของบุคคลนั้นเหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉะนั้นดังนี้แลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วตอนบุปกรรมของกุตกุตมิตรพร้อมด้วยบุตรและลูกสะั้ยโดยสมัยอื่นภิกษุสนทนากันว่า ไรหนอแลเป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของนายพรานกุกุตมิตรทั้งบุตรและลูกสะพา้านายพรานกุกุตมิตรนี่เกิดในตระกูลของป่านเนื้อเพราะเหตุอะไรพระศัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า โดยเรื่องชื่อนี้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการหมู่ชนจัดสร้างเจดีปรรจุพระาธาตุของพระกสปะทศพลกล่าวกันอย่างนี้ว่าอะไรหนอจะเป็นดินเหนียวอะไรหนอจะเป็นน้ำเชื้อแห่งเจดีนี้ตอนการสร้างเจดีในสมัยก่อนที่นั้น พวกเขาได้มีปริวิตกนีว้ว่าหารดานและมโนศิลาจะเป็นดินเหนียวน้ำมันงาจะเป็นน้ำเชื้อพวกเขาตำฮารดานและมโนศิลาแล้วผสมกับน้ำมันงาก่อด้วยอิฐปิดด้วยทองคำแล้วเขียนลวดลายข้างในแต่ที่มุกภายนอกมีอิฐเป็นทองทั้งแท่งเทียวอิฐแผ่นหนึ่งหนึ่งได้มีค่าแสนหนึ่ง พวกเขาเมื่อเจดีสําเร็จแล้วจนถึงการจะบรรจุพระธาตุคิดกันว่าในการบรรจุพระธาตุต้องการทรัพย์มากพวกเราจักทาใครหนอแลให้เป็นหัวหน้าตอนแย่งกันเป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุขณะนั้นเศรษฐีบนนอกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าจักเป็นหัวหน้าได้ใส่เงินโกรธหนึ่ง ในที่บรรจุพระธาตุชาวแว่นแคว้นเห็นกิริยานั้นติเตียนว่าเศรษฐีในกรุงนี้ย่อมรวบรวมทรัพย์ไว้ถ่ายเดียวไม่อาจเป็นหัวหน้าในเจดีเห็นป่านี้ได้ส่วนเศรษฐีบรร น, นอกใส่ทรัพย์โกดหนึ่งเป็นหัวหน้าทีเดียวเศรษฐีในกรุ่งนั้นได้ยินถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สองโกดแล้วเป็นหัวหน้า ได้ให้ทรัพสองโกดแล้วเศรษฐีบ้านนอกคิดว่าเราเองจะเป็นหัวหน้าได้ให้ทรัพสามโกดรันศรษฐีทั้งสองเพิ่มทรัพ์กันด้วยอาการอย่างนั้นเศรษฐีในกรุงได้ให้รัพแปดโกดแล้วส่วนเศรษฐีบ้านนอกมีรัพยก้าโกดเท่านั้นในเรือนเศรษฐีในกรุงมีรัพย์40โกดเพราะฉะนั้นเศรษฐีบ้านนอกจึงคิดว่า ถ้าเราให้ทรัพย์9โกดไซส์เศรษฐีนี้จะกล่าวว่าเราจากให้10บโกดเมื่อเป็นเช่นนั้นความหมดรั์ของเราจะปรากฏเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะให้ทรัพย์ประมาณเท่านี้และเราทั้งลูกและเมียจกเป็นทา่าของเจดีดังนี้แล้วพาบุตรทั้งเจดคนลูกสะพ้ยเจคนและภริยาม อ, อบแก่เจดีพร้อมกับตน ตอนเศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้าชาวแว่นแคว้นทําเศรษฐีบ้านนอกนั้นให้เป็นหัวหน้าด้วยอ้างว่าชื่อว่ารัพใครใครก็อาจให้เกิดขึ้นได้แต่เศรษฐีบ้านนอกนี้พร้อมทั้งบุตรและภรรยามอบตัวเฉพาะเจดีเศรษฐีนี้แหละจงเป็นหัวหน้าจนทั้ง16คนนั้นเป็นทาสของเจดีด้วยประการชนี แต่ชาวแว่นแขวนได้ทําพวกเขาให้เป็นไทยเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติเจดีนั่นแลดํารงอยู่ตลอดอายุจุติจากอัตภาสนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกเมื่อชนเหล่านั้นอยู่ในเทวโลกตลอดพุทธนรนหนึ่งในพุทธุ ป, ประบาทนี้ภริยาจุติจากเทวโลกนั้นบังเกิดเป็นทิดาเศรษฐีในกรุงราชครืดตอน คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอนนางยังเป็นเด็กหญิงเดียวบรรลุโสดาปฏิผลแล้วก็ชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะเป็นธรรมคติหยาบเพราะฉะนั้นสามีของนางจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพ่านเนื้อความเน่หาในกอดในกรอบงำทิดาของเศรษฐีพร้อมกับการเห็นนายพรานกุกุตมิตรนั้นแล จริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสคำนี้ไว้ว่าปุเปวะสั้นนิวาเซนะปัจจุปปันนะหิเตนะวาเอวันตังยายเตเปมังอุปลังวะยะโทธทะเกติความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือประการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่ง เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งดุดดอกบัวเกิดในน้ำเพราะอาศัยเปลือกตมมลนน้ำฉะนั้นทิดาของเศรษฐีนั้นได้ไปสู่ตระกูลของพรานเนื้อเพราะความเสน่หาในปางก่อนแม้พวกบุตรของนางก็จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในท้องของนางนั่นแลแม้เหล่าลูกสะพ้ายของนาง บังเกิดในที่นั้นๆเจริญไหวแล้วได้ไปสู่เรือนของชนเหล่านั้นนั่นแหละชนเหล่านั้นทั้งหมดปฏิบัติเจดีในการนั้นด้วยประการชนนี้แล้วจึงได้บรรลุโสดาปฏิผลด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั้นดังนี้แลเรื่องนายพรานกุฎกุตมิตร